จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตาตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14พศภาคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมา ดูแลรักษาทานุ่มบำรุงจิตใจให้อยู่เป็นปกติสุขเพราะ <c oughs> ความสุขความทุกข์ของใจนี้มีกำลังมีอิทธิพลมากกว่าความสุขความทุกข์ของร่างกายเป็นเหมือนถ้า ความสุขความทุกข์ของร่างกายนี้เป็นหนึ่งเท่าความสุขความทุกข์ของใจนี้เป็นร้อยเท่าดังนั้นเราจึงไม่ควรไปกังวลกับการดูแลเรื่องความสุขของร่างกายให้มากจนเกินไปควรที่จะมาดูแลความสุขความทุกข์ของใจ เพราะถ้าใจไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขแล้วร่างกายนี้จะมีความทุกข์มีความเจ็บปวดมากน้อยเพียงไรก็จะไม่เป็นผลอะไรกับจิตใจจิตใจจะรู้สึกเฉยเฉยเหมือนถูกเข็มฉีดยาเท่านั้นเองความทุกข์ของเรานี้ส่วนใหญ่ ไม่ได้ทุกข์ที่ร่างกายทุกข์ที่ใจของเราที่กลัวความเจ็บของร่างกายกลัวความอดยากขาดแคงของร่างกายกลัวความสูญเสียการดับของร่างกายจึงทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเป็นความทุกข์ที่ทรมานมากและ ผลไม่ได้แต่ถ้าเราได้มาฝึกใจมาสอนใจมาดูแลใจให้รู้จักอยู่อย่างปกติสุขใจก็จะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ทางร่างกายและทางข้าวของเงินทองต่างๆเวลาที่เราสูญเสีย เท่าของเงินทองไปเสียสิ่งที่เรารักไปเสียคนที่เรารักไปใจของเราจะไม่รู้สึกอะไรจะเป็นปกติไม่วุ่นวายไม่เศร้าโศกเสียใจและเวลาจะมีภัยอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นภัยทางน้ำ ทางอากาศทางลมทางไฟใจของเราจะไม่หวั่นไหวจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะใจได้รับการดูแลรักษาด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ า, านั่นเองใจที่ยังไม่ได้รับการทานุบำรุงดูแลรักษา ด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นใจที่โง่เขลาเบาปัญญาไม่รู้ว่าใจนี้ไม่ได้โดนอะไรมาทำลายหรือมากระทบเลยใจหลงไปคิดว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมา กระทบมากำมาทำลายมาสร้างความทุกข์ให้กับใจแต่ความจริงใจไปหาความทุกข์เองต่างาใจไปยุ่งกับเรื่องต่างๆไปครอบครองสิ่งต่างๆแล้วก็ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆพอมีเหตุการณ์ที่กระทบกับสิ่งต่างๆ ที่ใจไปยึดไปครอบครองไว้ใจก็เกิดความ <c oughs> ทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาทั้งๆ ท, ท, ที่ใจนี้ไม่ได้เป็นอะไรไปกับสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงยึดติดว่าเป็นของตนเลยใจนี้เป็นเหมือนกับอยู่อีกโลกหนึ่งโลกของใจคือโลกของนามธรรมา โลกของงามธรรมนี้ต่างกับโลกของกายกายนี้เป็นโลกของวัตถุเป็นโลกของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟธรรมชาติของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟก็จะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมีการรวมตัวกันแล้วก็มีการแยกออกจากกันเช่นร่างกายของเรานี้ ก็เป็นการรวมตัวของธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟที่มาในรูปของอาหารชนิดต่างๆอาหารที่ร่างกายรับประทานเข้าไปนี้ก็มาจากธาตุคือดินน้ำลมไฟเช่นข้าวผักต้องมีดินต้องมีน้ำต้องมีไฟต้องมีลม ถึงจะเจริญโ ต, โตโตออกเป็นข้าวเป็นผักเป็นผลไม้ได้ส่วนสัตว์ต่างๆก็ไปรับประทานพวกผักพวกข้าวพวกยญ้าอีกทีหนึ่งแล้วก็มาเป็นอาการต่างๆของร่างกายเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเวลาที่เรารับประทานอาหารคือเนื้อสัตว์เข้าไป รับประทานผักรับประทานข้าวรับประทานผลไม้เข้าไปก็เป็นการเอาธาตุสี่เข้ามาผสมกันในร่างกายของเราแล้วก็มาเปลี่ยนให้เป็นอาการสาสิบสองให้เป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆแล้วร่างกายนี้ก็ อยู่ไปได้ระยะหนึ่ง mm hmm. ก็จะเริ่มเสือ่อม mm hmm. เวลาร่างกายเสือ่อม mm hmm. ก็จะมีอาการชราภาพ mm hmm. มีอาการแก่ mm hmm. มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย mm hmm. เป็นโรคภัย mm hmm. เป็นโรคชนิดต่างๆกันโรคบางโรค ก, ก็ยังพอรักษาได้ mm hmm. ก็รักษากันไปโรคที่รักษาไม่ได้ mm hmm. ก็ต้อง ปล่อยให้มันอยู่กับร่างกายไปจนกว่าร่างกายจะไม่สามารถรับกับสภาพของโรคนั้นได้ร่างกายก็หยุดทำงานพอหยุดทำงานแล้วดินน้ำลมไฟที่อยู่ในรูปของผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32ก็จะแยกตัวออกจากกันไป น้ำก็จะแยกออกไปไฟก็จะแยกออกไปลมก็จะแยกออกไปเหลือแต่ดินที่เป็นกระดูกเป็นหนังเป็นสิ่งที่เหี่ยวแห้งทิ้งไปต่อไปก็จะกลายเป็นดินไปนี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆ ที่ใจของเราไปครอบครองไปยึดติดไปหลงคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราพอมีเหตุการณ์ที่มากระทบกับของเราตัวเราใจของเราก็เกิดความทุกข์ทรมานใจซึ่งความทุกข์ทรมานใจนี้รุนแรงกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆ ที่ใจไปยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราเวลาร่างกายเขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่ร่างกายตายไปนี้ร่างกายเขาไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นร่างกายเขาไม่มีความรู้สึกในตัวร่างกายเป็นเหมือนกับต้นไม้เป็นเหมือนกับรถยนต์เป็นเหมือนกับเสื้อผ้า เขาไม่มีความรู้สึกเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นต้นไม้เป็นเสื้อผ้าเป็นร่างกายเขาก็เป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งเท่านั้นเองวัตถุที่ประกอบจากธาตุทั้งหลายคือธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟแต่ผู้ที่มาครอบครองคือใจนี้ ไม่มีปัญญาที่จะรู้ทันว่าสิ่งต่างๆที่ใจมายึดครองนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแล้วถ้าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะไม่สามารถทำให้เป็นไปตามความอยากได้ น, นั่นเอง เช่นเวลาที่ใจได้ร่างกายมาครอบครองใจก็อยากจะให้ร่างกายนี้มีอายุอยู่ยาวนานไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บไข้ได้ป่วยและไม่อยากให้ตายไปแต่ความจริงของร่างกายและของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้มันไม่ได้เป็นไปตามความต้องการ ตามความอยากของใจใจจึงต้องทุกทรมาด้วยความหวาดกลัวบ้างด้วยความเสียใจบ้างด้วยความวุ่นวายใจบ้างเวลาสิ่งต่างๆที่ใจไปยึดไปติดไปครอบครองนี้ต้องมีอาการเปลี่ยนแปลงไปต้องมีอาการเสื่อมลงไปหรือต้องมีอาการพัดภาคจากใจไป ใจนี้เวลามาเกิดก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมามารับร่างกายที่พ่อแม่ได้สร้างเอาไว้มารับเป็นของเป็นเจ้าของชั่วคราวแล้วพอร่างกายนี้แก่ลงในที่สุดก็จะต้องตายไปใจก็ต้องไปข้างหน้าต่อไปไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไป ใจทําอย่างนี้มานับไม่ท้วนแล้วไม่กี่ไม่ไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านกี่แสนครั้งแล้วที่ใจไปได้ร่างกายมาแล้วก็ต้องมาสูญเสียร่างกายนี้ไปในที่สุดเช่นร่างกายของพวกเราทุกคนนี้สักวันหนึ่งมันก็จะต้องดับไปจะต้องกลับคืนสู่ธาตุเดิม คือกลับสู่ดินน้ำลมไฟไปใจคือตัวเรานี้ที่มาเป็นเจ้าของนี้ก็จะไปต่อไปทางอำนาจของความหลงความไม่รู้ว่าการไปหาร่างกายใหม่นี้ไม่ได้เป็นการไปหาความสุขแต่ไปหาความทุกข์เหมือนกับได้ร่างกายที่ มีอยู่ในปัจจุบันนี้ร่างกายอันนี้มันไม่ได้ให้ความสุขกับเรามันให้ความสุขแต่มันให้น้อยกว่าให้ความทุกข์กับเราทุกวันนี้ที่เราทุกข์กันนี้ก็ทุกข์กับร่างกายนี้เองตื่นขึ้นมาก็ทุกข์แล้วต้องไปบัรเทาทุกข์แล้วต้องเข้าห้องน้ำห้องท่าเพื่อบัรเทาทุกข์แล้วก็ต้องไปเติมอาหารเติมน้า เพื่อบรรเทาความทุกข์อีกแล้วก็ต้องดูแลรักษาอาบน้ำอับท่านี่คือภาระหรือความทุกข์ของร่างกายที่พวกเรามาแบกกันอยู่ทุกวันนี้นอกจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากความตาย ความทุกข์ที่เกิดจากการพัาดพลาดจากกันล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแต่ใจของเรากลับมองไม่เห็นกลับไปเห็นว่าการได้ร่างกายมาแล้วจะมีความสุขแล้วเวลามีร่างกายแล้วก็ไม่ยอมให้ร่างกายนี้แก่ให้เจ็บให้ตายเลยเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจ อยู่ตลอดเวลานี่เป็นเพราะว่าไม่ได้มีปัญญาไม่มีความฉลาดและไม่มีใครจะมีปัญญาและมีความฉลาดรู้ความจริงอันนี้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวพระพุทธเจ้านี้ทรงมีพระปัญญามีความฉลาดที่จะรู้ถึงธรรมชาติของใจ และธรรมชาติของร่างกายและสิ่งต่างๆว่าไม่เหมือนกันใจนี้เป็นธรรมชาติที่ไม่ตายที่ไม่แก่ไม่เจ็บแต่ธรรมชาติอื่นๆนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการเกิดมีการดับเสมอถ้ามีการเกิดแล้วก็ต้องมีการดับไป และใจนี้จะสุขหรือจะทุกข์ก็อยู่ที่ว่าไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆหรือไม่ถ้าไม่หลงยึดติดกับสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเวลาสิ่งต่างๆเกิดมีการเปลี่ยนแปลงไปมีการดับไปมีการจากเราไปเราจะไม่รู้สึก เศร้าโศกเสียใจทุกทรมานใจยกตัวอย่างร่างกายของคนอื่นหรือสมบัติเข้าของคนอื่นที่เราไม่รู้จักนี้เวลาตายไปหรือว่าหายไปเราไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปยึดไปติดว่าเป็นของเราเป็นตัวเรานั่นเองแต่ถ้าเป็นร่างกายของเรา หรือร่างกายของคนที่เรารักเรารู้จักเช่นร่างกายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของเพื่อนเวลาร่างกายเขาตายไปเราก็ทุกข์ทรมานใจเศร้าโศกเสียใจแต่เราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรความเศร้าโศกเสียใจทุกข์ทรมานใจก็ไม่ได้ทำให้คนตายนี้ฟื้นกลับมา ไม่ได้ทำให้โครคภัยไข้เจ็บมันหายไปเราทุกแบบไม่ได้ไม่ได้กาไรทุกแบบไม่ได้ประโยชน์แล้วทุกไปทำไมทำไมเราไม่ทาใจให้เฉยทำไมเราไม่คอยสอนใจเราให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้หรือที่เรามีความเกี่ยวข้องด้วยนี้มัน ต้องเป็นไปอย่างนี้เสมอมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายและเราไม่สามารถที่จะไปห้ามมันได้ไปบังคับมันได้แต่เราสามารถทําใจของเราไม่ให้ไปทุกข์กับสิ่งต่างๆได้ถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเรามองสิ่งต่างๆที่เราไม่ไปยึดติดนั่นเอง ถ้าเป็นของของคนอื่นถ้าเป็นร่างกายของคนอื่นเราจะไม่เดือดร้อนเราต้องมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนเป็นของคนอื่นร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราร่างกายของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของเพื่อนของสามีของภรรยาก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเรามันเป็นเพียงร่างกาย มันเป็นเพียงดินน้ำลมใสมันเป็นเหมือนรถยนต์มันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเวลาเราอยู่กับมันเราก็อยู่ได้ทำอะไรกับมันได้แต่เราต้องรู้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่าไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องไปจากเราดังนั้นขอให้เราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ส่งสอนให้เราพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงมีการเกิดมีการดับเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ใช่ของเราพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างนี้ว่าไม่ใช่ของเราแม้แต่ร่างกายที่เราเรียกว่าเป็นของเรา <neighbourhood> ก็ไม่ใช่ของเราพ่อแม่ร่างกายของพ่อแม่ก็ไม่ใช่ร่างกายของพ่อแม่ เวลาพ่อแม่ตายไปนี้เวลาร่างกายของพ่อแม่ตายไปนี้พ่อแม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพ่อแม่เป็นใจที่ชักใยร่างกายนี้เป็นเหมือนเป็นผู้สั่งการเป็นเหมือนคนขับรถ Re me. ร่างกายนี้เป็นเหมือนรถยนต์เวลารถยนต์นี้พังไปคนขับไม่ได้พังไปกับรถยนต์ ร่างกายของทุกๆคนนี้เวลาตายไปนี้คนที่ควบคุมบังคับร่างกายอยู่นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี่คือใจนี่คือธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้ไม่มีวันตายไม่ตายไปกับสิ่งต่างๆแต่ต้องมาทุก์ทรมานกับสิ่งต่างๆเพราะรู้ไม่ทันเพราะหลงไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรานั่นเอง พระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้เราแยกใจให้ออกจากกายให้ได้ให้ปล่อยวางกายและสิ่งต่างๆให้ได้ด้วยการทำใจให้สงบให้พยายามทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบใจจะถอนความยึดติดในร่างกายและสิ่งต่างๆชั่วคราวจะทำให้ใจ เห็นความจริงว่าเวลาไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆนั้นมีความสุขมากกว่าเวลามีความยึดติดกับสิ่งต่างๆเมื่อเห็นแล้วเวลาออกจากความสงบก็จะคอยห้ามใจไม่ให้ไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆไม่ให้ไปอยากให้สิ่งต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ หรือไม่ให้ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพราะรู้ว่ามันไม่ได้ให้ความสุขกับใจแต่มันจะให้ความทุกข์กับใจนี่คือสิ่งที่เราต้องคอยทำนุบำรุงใจของเราอยู่เสมอคือด้วยการทำใจให้สงบก่อนที่เราจะทำใจให้สงบได้ใจเราต้องปล่อยวางเรื่องราวต่างๆที่เรา ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นเราต้องปล่อยวางเรื่องการไปทําร้ายผู้อื่นเวลาใครเขาทาอะไรให้เราโกรธหรือไม่พอใจเราอยากไปทําร้ายเขาเวลาที่เราอยากจะได้อะไรเราก็อยากไปทําร้ายผู้อื่นเวลาที่เราต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ เราต้องหามาได้ด้วยวิธีที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปความสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเพราะมันจะทำให้ใจของเราสงบลงไปได้ในระดับหนึ่งถ้าเราไปทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นใจของเราก็จะเดือดร้อนก็จะไม่สงบ จะทให้เวลามาทำใจให้สงบนี้ทำทำได้ยากคนที่มีเรื่องมีราวอยู่เรื่อยๆกับคนนั้นกับคนนี้จะไม่มีความสามารถที่จะมานั่งทำใจให้สงบได้ดังนั้นในเบื้องต้นต้องมีศีลคือต้องไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ไปฆ่าผู้อื่นไม่ไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ไปประพฤติผิดประเวณีไม่ไปโกหกหลอกลวงและไม่ไปเสพสุร้ายามาการที่ถ้าเราทาสิ่งเหล่านี้ได้คือละเว้นจากการไปสร้างความเดือดร้อนไปเบียดเบียนผู้อื่นได้ใจของเราก็จะไม่วุ่นวาย เวลาที่เราอยากจะมาทำใจให้สงบก็จะทำได้ง่ายกว่าเวลาที่ใจของเรามีความวุ่นวายมีความทุกข์ความกำหนวลกับการกระทำที่ไม่ดีของเรานั่นเองนี่คือวิธีหนึ่งที่จะช่วยทำใจให้สงบอีกวิธีหนึ่งก็คือเราต้องเสียสละ ข้าวของเงินทองต่างๆที่เรามีมากเกินไปที่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยเขาเอาไปแบ่งให้คนอื่นเอาไปช่วยเหลือผู้อื่นเอาไปสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมากงังวลมาดูแลรักษามาหวงมาห่วงกับเงินทองข้าวของต่างๆ ที่มีมากเกินความจำเป็นนี้ไปแล้วก็จะช่วยตัดความโลกความอยากได้เข้าของเงินทองให้มีมากขึ้นไปเพราะว่าเราไม่เก็บเอาไว้นั่นเองเราไม่เก็บเงินทองที่มีเกินความจำเป็นแล้วเรื่องอะไรที่เราจะไปหาเงินทองเข้าของที่เกินความจำเป็นมาให้เหนื่อยยากทําไม มาให้วุ่นวายใจทำไมนี่ก็เป็นการช่วยทำใจของเราให้สงบได้อีกระดับหนึ่งคือการทำบุญให้ทานจะทำให้ใจของเราสงบเย็นมากกว่าเวลาที่เราไม่ได้ทำบุญให้ทานเวลาที่เรารักษาศีลก็จะทำให้ใจของเรานี้สงบมากกว่า เวลาที่เราไม่ได้รักษาสิ่เมื่อเราได้รับความสงบจากการทำบุญให้ทานจากการรักษาสิ่แล้วเวลาเราจะมาทำความสงบด้วยการนั่งสมาธิด้วยการไหว้พระสวดมนต์บริกรรมพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกใจของเราก็จะสงบง่ายขึ้นเพราะว่า มีความสงบเป็นพื้นฐานอยู่แล้วคือมีความสงบจากการทำบุญให้ทางมีความสงบจากการรักษาศีล<ม>พอมานั่นทำสมาธิใจก็จะสงบงา่าย<ม>แต่จะสงบไม่สงบนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอยู่อันหนึ่งก็คือสติ สตินี้จาเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำให้ใจสงบถ้าใจเราไม่มีสติก็จะลอยไปลอยมาเหมือนกับเรือที่ไม่ได้ทอดสมอเรือที่ไม่ได้ทอดสมอนี้จะไม่จอดนิ่งอยู่บนผิวน้าจะต้องไหลไปตามกระแสน้ำใจของเราที่ไม่มีสติคอยดึงเอาไว้ <c oughs> ก็จะมี จะไหลไปตามอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราอารมณ์เรื่องนั้นเรื่องนี้จะเข้ามาในใจอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะชวนให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวคนนั้นก็เข้ามาในใจเราเดี๋ยวเรื่องนั้นก็เข้ามาในใจเราถ้าเราไม่มีสติเราก็จะไหลไปกับเรื่องต่างๆทําให้ใจฟุง้งซ่านทําให้ใจว้าวุ่นขุ่นมัว ทำให้ใจไม่นิ่งไม่สงบนะแต่ถ้าเรามีสติเหมือนกับมีสมอที่เราทอดลงไปในานา้ำพอสมอยึดติดกับดินแล้วเรือก็จะไม่ไหลไปตามกระแสน้ำฉันั้นถ้าเรามีสติคอยดึงใจเอาไว้ให้อยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งเช่จนจะให้อยู่กับพุทโธก็ได้ เราคอยบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปภายในใจในชีวิตประจำวันของเราแทนที่จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องคิดเราก็อยากไปคิดให้คิดพุทธโธพุทธโธไปภายในใจใจของเราก็จะนิ่งเหมือนกับเรือที่มีสมอทอดแล้วเวลาเราไปนั่งหลับตาบริกรรมพุทธโธหรือเดินลมหายใจเข้าออก ใจก็จะสงบนิ่งได้อย่างรวดเร็วเวลาใจสงบนิ่งแล้วใจจะแยกออกจากร่างกายจะรู้ว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันจะรู้ว่าใจนี้เป็นผู้สั่งการเวลานี้ใจไม่ทำงานร่างกายก็ทำอะไรไม่ได้ร่างกายนี้จะเคลื่อนไหวได้จะทำอะไรได้จะพูดอะไรได้ ใจต้องต้องเป็นผู้สั่งการก่อนเราก็จะรู้แล้วว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันแล้วต่อไปใจก็จะฉลาดจะไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายจะปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามสภาพของเขาเขาจะแก่ก็ปล่อยเขาแก่ไปใจก็จะนิ่มสงบไม่เดือดร้อนจะเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ไม่ไปเจ็บด้วย ใจจะนิ่งเฉยใจจะไม่กลัวความเจ็บของร่างกายจะไม่อยากให้ความเจ็บของร่างกายนั้นหายไปเพราะรู้ว่าความอยากนี้จะทำให้ใจต้องทุกข์ทรมานใจไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรใจก็จะนิ่งเฉยรู้ตามความจริงรู้ว่ากำลังเจ็บไข้ได้ป่วยรู้ว่ากำลังจะไม่หายใจรู้ว่าหยุดหายใจแล้ว นี่คือใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายจะรู้อยู่ทุกขณะและจะไม่เดือดร้อนกับการเป็นไปของร่างกายและของสิ่งต่างๆทั้งหลายจะมาหรือจะไปก็จะไม่วุ่นวายไม่ดีใจเวลามาเวลาไปก็จะไม่เสียใจแต่ถ้าไปดีใจเวลามาเวลาไปก็จะเสียใจ อยงนั้นเราต้องระมัดระวังอย่างมากอย่าไปดีใจกับอะไรทั้งนั้นเพราะเวลาเขาจากเราไปเราจะเสียใจทำใจให้เฉยๆไว้แล้วเราจะอยู่อย่างมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ต่างๆของร่างกายและของสิ่งต่างๆที่มีการเกิดและมีการดับไปเป็นธรรมดาแต่ใจของเรานี้ จะอยู่อย่างปกติสุขเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนี่คือหน้าที่ของเราที่เราต้องทําใจให้เป็นปกติให้ได้ในทุกกรณีนะไม่ใช่แต่ในเวลาที่เรามีความสุขความสบายเท่านั้นเราต้องมีความสุขได้ในขณะที่เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความอดอยากขาดแคลน พอใจไม่ได้อดอยากขาดแคลนไปกับร่างกายไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไปกับร่างกายถ้าใจรู้จักทำใจให้สงบรับรองได้ว่าใจจะไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ยากลาบากความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตายของร่างกายอย่างแน่นอนนี่คือวิธีดูแลรักษาใจวิธีที่จะทำให้ใจของเรา มีความสุขอยู่ตลอดเวลาเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ทำมาแล้วแล้วจึงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเรามีความเชื่อแล้วนำไปปฏิบัติต่อไปเราจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่หวาดกลัวกับภัยต่างๆเราจะอยู่อย่างมีความสุขไปตลอด จึงขอฝากเรื่องของการมาดูแลรักษาใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสงบสุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุตดดิไว้เพี่ยเท่านี้ขอคุณพระศรีนัปปณะไกรและบุญกุศล